ก็รอนเช้าอะไรที่ยังไม่ได้ส่งอารมณ์ส่งต่อชี่ได้รัสค้างอยู่ใช่ไหมหลงชุดที่สองเป็นไงบ้างวันนี้ เราก็รู้ว่ามันฟุ้งก็รู้มันฟุง้งเท่านเองไม่จำเป็นต้องเป็นฟุง้งถ้าเราสามารถเปน็นสามารถรู้มันได้โดยที่ไม่ฟุง้งจามันก็ถือไม่ฟุง้งเพราะเราเห็นมันแต่ทีนี้เราไปยุ่งกับมันมันก็จะเป็นฟุง้งจัดการนเป็นได้อย่างก็จะัดใจที่จะฟุ้งด้วย อ้าวทำไมอ่ะเราจะบอกให้ดูใช่ไหมเด็ออสนุกตามเลยแสดงว่าเป็นเรื่องที่ดีอ๋อ เ, เรื่องที่ไม่ดีแต่ก็สนุกว่าด้วยอ๋อแสดงว่าเป็นเรื่องจริงนะ ให้เรื่องไม่จริงของไม่ดามไปก็ความจริงแล้วนี่ที่เราฝึกปฏิบัติกันนี้เพื่อที่จะให้ให้เห็นในาการต่างๆที่มันผ่านก้นมาถึงจะทําได้บางไม่ได้บางก็ก็ฝึกทําไปเรื่อยๆแต่ว่าในช่วงที่ทําไม่ได้หมายความว่าเราคอยใจที่จะไปกับมันท่าน ท, ท, ที่รู้อยู่ว่ามันเป็นการอ่า สูญเสียกําลังของความรู้ตัวไปอนะแต่เหมือนเราเป็นมานี่ค่ะค่ามือนมาหาเงินอ่ะนะมาหาเงินแต่ขณะเดียวกันเราก็เผือจ่ายแล้วพอใจที่จะจ่ายแต่ถามว่ามันจ่ายในกรณีนี้จําเป็นไหมถ้ากรณีที่จะเป็นก็ควรจะจ่ายอืถ้าจ่ายในกรณีกรณีที่ไม่จําเป็นก็ จ, จ่ายไปเยอะด้วย ก็ต้องหาเหตุเพราะอะไรหรือเป็นเล็กเล่นการพนั้นก็เพราะมานี้ค่อยมาหานะหาหาสิ่งที่ที่เรียกว่ารู้สึกเนี่ยให้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ให้คิดนะแต่ให้ให้รู้ว่าคิดอย่างไรความรู้สึกมันก็คือการที่แปลงตัวคิดได้นั่นเองถ้าเรารู้ ตัวคิดก็ถูกแปลงเป็นตัวรู้แต่รู้สึกเป็นตัวพื้นฐานเนี่ยเรารู้ได้รู้สึกตัวตามไปเลยแต่เมื่อไดมีตัวคิดแล้วสามารถแปลงตัวคิดให้เป็นตัวรู้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปัญญาตัวคิดที่เป็นพื้นฐานที่รู้อยู่เป็นสติเป็นสมาธิแต่สามารถตามรู้ความคิดนั้นมันจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามแต่เราสามารถตามรู้มันไปได้เรื่อยๆ ก็จะเป็นปัญญาได้เพราะฉะนั้นเมื่อจะเป็นต้องจ่ายก็ต้องให้ได้กําไรคืนเหมือนเศรษฐีเขาจ่ายเงินใช่ไหมเขาก็จะงองเขาก็จะมีจ่ายเงินอก่อนที่จะจ่ายพิจารณาว่าจะทำไงจ่ายเป็นต้นทุนไรเนีย้ยกำไรควรจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมต้องฝึกคิดแบบนี้่นะก็ในในจะเสียแล้วเนี่ยก็ต้องบางทียิ่งจ่ายมากก็ยิ่งได้ดอกเบีย้ยสูงอ่ะที่มัน ใครลักษณะอย่างนั้นถ้าเราคิดในมิตินี้มันก็จะเป็นเรื่องที่เร า, าสนุกเพราะว่ามันสามารถทําได้ในทุกเรื่องฉะนั้นเองก็อยากจะให้คิดในมิติที่มันเป็นเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการภาวนานะภาวนาคือหมายถึงการเราเราความรู้สึก สองตัวหนึ่งความรู้สึกที่เป็นสติได้สมาธิเป็นพื้นฐานเราตั้งเอาไว้สองเราความรู้ที่จะเข้าไปรู้ตัวคิดเนี่ยมันก็เราให้เกิดตัวปัญญามันต้องได้ฐานใดฐานหนึ่งไงนะแต่ในกรณีที่เราเสียงสองอย่างฐานของสติสมาธิความรู้สึกตัวโทุพร้อมก็ไม่ชัดเวลาความคิดมาเราก็ไม่ สามารถจะเห็นมันได้อันนี้ก็ถือว่าขาดทุนละถ้าไปค้าขายก็อาจจะขาดทุนกลับบ้านไม่ถูกเพราะนั้นก็จะแก้ตัวไหวทันอยู่นะตัวทันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่ว่าเราต้องอฝึกนะต้องฝึกให้ให้ตัวสอบฐานความรู้สึกตัวที่เป็นพื้นฐานคือความรู้ตัวและตั้งใจให้มันรู้ต่อไปเรื่อยๆชัดๆ แล้วก็ตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งรูปทั้งนามมันจะเป็นเวทนาและเป็นความรู้ต่อเวทนาโดยอาศัยการเคลื่อนไหวเป็นตัวรู้ต่อเวทนาและตัวเวทนาที่มีอยู่ยิ่แล้วนอนแข็งที่มีอยู่เราก็ตามรู้มันไปลักษณะเนี้ยมันก็เป็นฐานท่องทั้งสติและสมาธิอยู่แล้วฐานท่องสติคือฐานที่จะรับรู้รตการเคลื่อนไหวฐานของมณิสมาธิคือไปตามรับรู้ตการเคลื่อนไหวของเวทนา ฐานของปัญญาไปตามรับรู้การเคลื่อหวของจิตฐานยานไปรับรู้ต่อการเคลื่อนไหวของอารมณ์ใช่ไเราจะรัรู้ต่อการเคลื่อนไหวอันไหนเพให้มันได้อย่างหนึง่งทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งยานทัศนะหรือวิปัสนาญาณก็อาศัยฐานทั้งสี่นี้เองไปที่เกิดแต่ฐานของอารมณ์รีตาดำรู้ได้มันเป็นวิปัสนาญาณตามลําดับหลายขั้นนั่นนะ เป็นญาณที่เป็นทั้งเห็นอดีตของโดยเองเป็นญาณทั้งที่เห็นการเกิดการดับทั้งหยาบกลางละเอียดและเป็นญาณที่เห็นต่อวิธีการบาบัดอาสะวะกิเลสทั้งหลายนยีซึ่งมันจาเป็นต้องมีการตามรู้ตามศึกษานะในกรณีนี้ที่เราไม่ไม่ชัดเจนต่อกระบวนการเรียนรู้อย่างนี้ก็ต้องถามพระอาจารย์ เชื่อพาะชุ่มเช้าหรือบางทีเราพิจารณาไปแล้วมันพิทะลุก็ต้องถามนะเพราะฉะนั้นต่อไปอย่าอย่าเสียเสียไปเยอะแล้วคง ม, มันมีเหลืออา <c oughs> ต่อไปใครจะส่งรมต่อบ้างยมยมส่งหรีอยงัง <c oughs> แล้วนั้น <c oughs> ยุมน้องส่งหรือยงัง <c oughs> ส่งแล้วนะ้นใครที่ยังไม่ได้ส่งมีไหม ของวันนี้ไงเอาเป็นไงบ้างวันนี้ตอนเช้าก็เป็นสตรีมช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี่ได้คือเป็นการอลังกายมากเลยอ่า เรามีทางจุดคมที่ดีกว่านั้นทำไมไม่เลือกอะ่ะไม่ทางอื่นที่มันไม่โดนก็มีเอา้าว ก, กรตีเราเปลี่ยนที่ไม่มีกระเบื้องก็มี วันนี้ไม่ได้ห่มผ้าอาบน้ำอ๋อมีมีผ้ามีเอ็ดรู้สึกหรือพ่าวันนู้นพ่อไม่ร้อนนะวันนี้นะวีม่ร้เอ้าสงสไปทำเอ็กเคกทีมากไหรือเปล่าไม่ทไม่ทำเลยอ่ะอล้วทำไมความร้อนมันฮีตอัพอ่ะมมมันสัมผัสผิวร่างกายแล้วก็การเหิดตาเรารู้สึกเลยว่ามันร้อนร้อนตลอวันนะครอ๋อเลย ไอหลวพ่อว่าบางทีไม่วันนี้ไม่ร้อนนะอาจจะสัมผัสได้เร็วขึ้นนะะเพราะวันก่อนได้เข้าใจเห็นสภาวะลูกน้ำอ๋ออช่วงเย็นเนี่ยออไม่มีแแล้วมันจะดาอ๋อ้ตอนหลังก็กลับมาดอใช่ก็เข้าไปหลบยมยมถามก่อนหรือยมเคยตุ่มข้าวไหมเคยถ้าหากว่าไฟมันแรงไปไง เออไมเหรอน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะอยู่ไม่แห้งได้ไงถ้าไฟมาแรงถ้าน้ําเยอะๆไปไงเดือดแล้วมันก็ถ้าเราปิดฝาล่ะดันขึ้นมาใช่ไหมถ้าเราฝาออกะยุบลงใช่ไหมนั่นแหละเอาฝาออกถ้ามันร้อนเลวิธียอาฝาออกทําไง ถ้าถมถามเดีถามเธ อ, อว่าเมื่อเราต้มข้าวน้ําเยอะ เ, อเราปิดฝา เ, เมื่อไฟมันแรงจะด้วยเจตน า, าไม่เจตนาก็ตามนะหม้อข้าวเดือดถ้าไม่เอาฝาออกเนี่ยไฟมันก็จะดับเพราะไฟน้ำในหม้อมันจะล้นใส่ไฟใช่ไหมเราก็ต้องเอาฝาออกเพราะฝาออกมันก็จะยุบในกรณีที่เราเดินอยู่กรมที่ใดที่หนึ่งเนี่ยอุณหภูมิมตรงนั้นน่ะ มันร้อนเป็นพิเศษหมายความว่ามันมีฟืนเพิ่มมากเกินไปการเอาฝาออกมานค็เราจะต้องเปลี่ยนหาโลเคชันที่ดีกว่าเพราะมันมีทางเลือกเยอะแยะใช่ไหมนั่นดีนั่นคืวิธีเอาฝาออกเอี่ยโลเคชันแ่หัก็ิีง่ามันมีอก็เดิน่าทมารแาซึ่งันโลเคชันดีมากแล้วความร้อนรู้สึกยังร้อนอยู่ไหม อ่านั่นไงใช่ต้องแด่มาลงลาเลพราะเราเปลี่ยนที่เปลี่ยนอะไรมันก็ความรูปภูมกิก็ลดลงนะอืแต่ก็ดูแล้วนี่ความรู้สึกร้อนทางกายเนี่ยถ้าใจเราไปร่วมด้วยมันจะร้อนไปสองเท่าเลยแต่ถ้าใจไม่ร่วมด้วยมันจะลดลงทันทีเพราะฉะนั้นให้สังเกตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่ออยากจะให้มีการศึกษาสังเกตการศึกษาสังเกตเนี่ยมันมัน มันตรงกับคําว่าอธิจิตสีขาอาธิปัญญาสีขานะอธิสีและสีขาเนะี่ยตอนแรกเขาว่าสีขาสามยางสีที่ปัญญาใช่ไหมแต่พอเราเอาไปปฏิบัติภาคจริงๆลงเปมือทำลงมือทําเข้าลักษณะวิจัยเนี่ยมันกลายเป็นอาทิคือยิ่งๆเนี่ยทำการศึกษาส่วนไหนที่มันรู้สึกอย่างไรก็เข้าไปข้นศึกษาโดยที่มันไม่ <c oughs> มีผลต่ออารมณ์เท่าไหร่แต่เราเห็นทั้งหมดนะ หลวูพ่อใช้วิธีนี้มตลอดนะไม่ว่าปฏิบัติอยู่ก็ตามหรือทํางานอยู่ก็ตามจะใช้เนี่ยบางทีช่วงไหนที่มันฮิตอักมากๆแล้วก็ล้องเพลงให้มันเลยทำ <c oughs> เพลงทำเพลงไปเลมันทำเพลงได้เห็นวันช่วยเรียนเจอรู้สึดีดีมันก็ดีนะก็มีโอกาสได้ทําเยอะขึ้นอ่าใครจะส่งลมต่ออีกไหมไม่มีนะ อาเชิญเชื่อไหมใช่ได้ได้ น, นั่นนำมาชอบในวิธีการโอเวียนเพลยนะเพราะมันมันไม่จำกัดในวิธีการคือเราจะหาไงก็ได้มันไม่ฟิกอะในวิธีการอื่นเนะี่ยคุณต้องทำอย่างนี้นะคุณต้องทํางั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นนะมันรูปแบบมันมัน ถ, กกถูกจำกัดอะนะแต่วิธีการวียนทำไงก็ได้ที่จะหาภาวะที่ไม่ทุกอะแต่ว่าไม่ใช่สบายนะแต่มันไม่ทุกแต่ก็ไม่ใช่สบาย เพราะนั้นความทุกข์มันไม่ใช่ความความไม่ทุกขนะ์น่ยมันไม่ใช่ความสบายหรือไม่สบายแต่มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายนี่ก็ไม่เรียกว่าสบายนะแต่มันผ่อนคลายทัง้งกะทั้งใจแต่บางทีกายมันก็ไม่ผ่อนคลายหรือบางทีผ่อนคลายทางใจจิตมันก็ไม่ได้ผ่อนคลายหรือบางทีผ่อนคลายทั้งสองส่วนนี้นะเราก็จะสัมผัสได้ซึ่งถ้าเราไปถ้าเราไปยินดีในความผ่อนคลายก็ถือว่าเป็นความสุข อันนี้ก็เป็นสมุทัยของทุกแล้วนะแต่ทั้งสุขทั้งทุกมีความผ่อนคลายในตัวแต่ว่าเราไม่ไปยินดียินได้กับมันแต่สัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายลักษณะเนี้ยเป็นตัวนิโรธไปนในตัวเสร็จที่ความผ่อนคลายแต่ได้ฝึกบ่อยๆให้มันเป็นนิสัยให้มันเป็นวิถีของจิตนะนะเป็นวิธีของจิตนะต่อไปการปฏิบัติก็จะง่ายแล้วจะทําอะไรได้เยอะทีเดียวเหมือนกับ เครื่องยนต์ที่มันมีพัดลมปรับความร้อนในตัวของมันนะมันทำงานได้ทั้งวันโดยเครื่องไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ร้อนเลยอะ่ะทีแม้คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่มันมีกิกมีอะไรซหลายๆตัวหลายสูงๆนะมีแรมมี c e s ชสเต็งสูงมันก็จะมีพัดลมตัวเล็กๆระบายต่อดเวลา มันก็เลยในลักษณะของตัวอารมณ์รู้เหมือนกันโดยกรรมที่มันรับรู้ต่อสิ่งกระทบเนี่ยมันมีความถี่ค่อนข้างสูงมากแต่ถ้าหากว่ามันมีตัวผ่อนคลายเข้าไประบายเรื่อยๆยการรับรู้มันก็จะชัดเจนเพราะมันมีตัวนี้เข้าไปาเข้าไปช่วยผ่อนคลายดังนั้นมาวิธีการหลวพ่เทียนมันทำเป็นอะไรบางอย่างที่มัน มันปฏิบัติแล้วมันไม่เบื่อแล้วก็มันทําให้เราเห็นสภาวะต่างๆแต่จับจุดให่ถูกเท่านั้นเองมันก็มันใช้ได้ทุกเรื่องเลยอะ่ะตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับอะ่ะมันไม่ใช่ชุน่นมันไม่ใช่อะไรเลยที่ว่าไม่ใช่เป็นการภาวนานะจับหลักมันนั้นจับหลักเรื่องการผ่อนคลายให้ดีผ่อนคลายคือตัวไม่ทุกข์นั่นเองแต่มันก็ไม่ใช่ตัวสุขมาจะผ่อนคลายกายก็ได้ผ่อนคลายจิตก็ได้ผ่อนคล า, ายทั้งสองส่วนก็ได้และบริหารจัดการได้ด้วยผ่อนคลายเนี่ย แต่ถ้ามันผ่อนคลายโดยบังเอิญโดยตัวมันเองก็เรียกปีติซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของสมาธินะแต่ผ่อนคลายโดยที่เราสามารถจัดการบริหารจัดการได้เราเรียกปัจสัตธิที่มันเหนือก ว, กว่าปีติถ้ามันนา น, นานนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราไม่เรียกว่าแฮปปี้แต่เราเรียกว่าบลิช g e B L ใช่ I A S, 是 หรือ B I S หรือจะเป็น B L I เช่มั A ้ย e A S B มันเป็นความสงบความเย็นหรือปฏิสัทธิดังนั้นเราศึกษาเรื่อง น, น, นี้คุณวิโรจนเป็นไงบ้างวันนี้อารมณ์ปฏิบัติสบ า, บายทั้งวันนะสบายทั้งวันนะสบายแบบมีความสุขหรือสบายแบบผ่อนคลายผ่อนคลายนะ เนี๋ยว ค, นน <c oughs> คุณสร้างลัทีิกินหน้าขึ้นมาอีกแล้วเนาะลด ล, ลงไปนะความคิดมันจะมีน้อยลงความคิดระหว่างมันจะชองวางรว่าความคิดีถามกันมากขึ้นเ น, นี่ยความเงียบสงบภายในเนะ ใช่ได้ทีเดียวเพราะนั้นความาผ่อนคลายเนี่ยถ้าเราไปยินดีมันกลายเป็นความสุขกลายเป็นสมุทยัยถ้าห้าการผ่อนคลายโดยที่ไม่ยินดียินได้กับมันมันก็เป็นเหนือสุขเนทุกข์ได้แต่ถ้าอดไเป็นความสุขทุกข์าังดางมาใช่แต่อะไรที่มันความผ่อนคลายที่เราไม่ยินดีมันมันก็คือความไม่ทุกข์ไม่สุขอันอี้นะ เป็นภาวะที่เราสัมผัสได้แล้วอยากจะให้มันเป็นบ่อยๆจนให้เป็นนิสัยของจิตนะนะเขาเลือกให้มันเป็นทักษะเป็นเป็นญาณในสิ่งไหนก็ตามที่เป็นตัวรู้นั่นแหละแล้วทําให้ชํานาญเขาเรียกญาณอย่างทักษะว่าความผ่อนคลายเนี่ยเขาก็ทําได้ทุกเรื่องใช่ไหมคุณจะนอนแบบผ่อนคลายจะทํางานแบบผอมคลายอาซักผาพน้ำผ่อนคลา ย, าานะลา ย, ยฝึกได้ใช่ไหม เพราะนั้นท่านถึงให้ฝึกปสัสทีมากกว่าฝึกปิติเพราะปิติเนี่ยมันมาโดยองค์ธรรมแต่ปัปสธีเนี่ยมันมาโดยที่เราเจตนาที่จะทากับงานแล้วปลายเจตนาให้เกิดการผ่อนคลายมันทำได้อยู่แล้วนะแต่ว่ามันจะไม่เกิดการผ่อนคลายแต่เมื่อเราเผลอลรวอยากเท่านั้นถ้าเราไม่เผลอไม่อยากมันก็จะผ่อนคลายโดยธรรมชาตินั้นก็ลองไปศึกษารงนี้ดู ให้สนหมือนกันไหมคุณนึกถึงสถานการ์ระหว่างฝนตกกับหลงังฝนตกไปแล้วใหม่ๆเนี่ยต่างบรรยากาศต่างกันไหมฝนตกไปแล้วฝ น, นกํลาลังตกก็ฝนตกผ่านไปแล้วเนี่ยบรรยากาศต่างกันไหมถ้าฝนตกพุ่งผ่านไปเนี่ยบรรยากาศเป็นไงบรรยากาศ สดชื่นสสเย็กเย็นใช่ไหมนั่นคือปัสิทธิพิธีเหมือนฝนกาลังตกคลายกันแต่ว่าสานการณ์กเริ่มเปลี่ยนการมิชีนาไม่เคยส่งอารมณ์กระลมข้อนานแล้วเป็นไงบ้างฮะยังไม่เคยออ๋อเหรอใจอยู่กับพไม่ได้เข้าร เดี๋ยวที่นี้ขอบคุยเราก็บว่าที่คัวไม่มีคนกเลยกลับไปเคุณจริงก็มันก็ไม่คนไม่มากเท่าไหร่ครัวไม่น่าจะยุ่งนะมีแค่คุณพิพาวหรือก็คุณมีคุ้สงคนจะมีอ๋อจริงคุณพิพาคนเยอะก็ไว้กับข้าไม่เยอะยอาถ้าหลังว่าไงคุณลุง เออเออใช่อะไรคือภาษาของการเข้าู้ใช่ไหมตัวรู้อะไรคือสาษาของตัวรู้ใช่ไมใช่ใครได้คาตอบยกมือขึ้นว่าถ้าจะเป็นควาอยากควาอรู้โชเลยเนาะความอยากอะไรคือสาษาของตัวรู้เพราะว่าสามันดีมันเอที่นงอะเออ สวงัแเลยนะอยากจะูว่ามันมีไฟร่งี้มีวชนองไที่ไหนไง อะไรต่อไปประมาณสีงขึ้นค่ะเดินลงข้างหน้าเลยค่ะไปดูไม่มีไฟนะคะแต่ว่าหมามันแขวนกระดิ่งด้วยหรือเปล่าล่ะไม่มีค่ะบางจีก็คือกระดิ่งหลวงพ่อเนี่ยแต่ว่าโยไปบันทึกเอาไว้ลึกมากอ่ะมันเลยดังตลอดเวลาเลยรู้แล้วค่ะว่าอะไรอะไรที่มันดังมันมีเหมือนวงไฟเลยคะอ่า อ๋อเหรอไอ้อเรื่อก็มองหายอยู่คะไม่เจออ๋อความอยากรู้มันมันเยอะกว่าแต่เจอแล้วใช่ไหมเจอแล้ว อ, วอะไรตอบอ๋อตอบเพราะฉะนั้นความอยากเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อตัวรู้เพราะอยากทำให้เอลอไปให้ทาให้เผล อ, อและทำให้เพลเินแลวทำให้ลืมใช่เหมเ น, นั่นนั่นทำไมพระพุทธเจ้าท่านเลยชี้หน้าว่าไง ขาหาการะกะที่โทษสีปุนาเคหังนากาหาสิดูก่อนเจ้าความอยากผู้สร้างเรื่องวันนี้เรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทําเรื่องให้เราใจให้เราไม่ได้อีกต่อไปอันชี้หน้ามันโค้งเรือนของเจ้าเราก็หักเสียแล้วยอดเรือนก็หรือโค้งเรือนของความอยากคือขันห้ายอดเรือนของความอยากคืออวิชชาคือความเผอความไม่รู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันปั๊บอยาก มันก็โดนทุกทีแหละดนะัง น, นั้นก็เราก็ไม่เชื่อว่ามันจะออกง่ายๆแความอยากนี่ก็ตามดูไปเรื่อยๆตามศึกษาไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเราเห็นพิษเห็นภัยเห็นโทษของความอยากเข้าขั้นเข้าถึงกระดูก ด, ดำเลยเนะี่ยต่อไปแหละมันจะเริ่มมันจะเริ่มแก้ไขความอยากที่เป็นลูประธรรมซึ่งมาตั้งคําถามไว้สําหรับชาว โยมคนหนึ่งเป็นคนไทยในต่างประเทศว่าคุณลอาให้ definition หรือนิยามคำว่า need want class desire crave ซึ่งมันแปลว่าความอยากทั้งหมดนะ need ะกําเล็กซ์เรี need want desire ne ary, necessity คลาสเปอร์เคลวีอะไรพวกนี้อนะันนั้นในกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยคุณลองไปดูว่าความหมายมันเป็นยังไงเขายังไม่ได้จอมาเลยนะในตระกูลของความอยากทั้งหลายเนี่ยสับอะไรก็ได้เรียกกับความอยากลองมาดูให้หมดมันมาในรูปแบบต่างๆ<ม>ท่านพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนที่ดามานสามนางแล้วเปรียบเหมือนกับมารบ้าง แต่มันเสนามานบ้างมันออกมาได้หลายๆรูปแบบเะนั้นเราก็ศึกษามันไปเรื่อยๆคือในวิธีการปฏิบัติวิปัสนาต้องทําด้วยการศึกษาเท่านั้นนะแต่สมถนะนั้นเราด้วยความอยากอ ย, กอยู่อยากสงบอยากจะเห็นโน่นอยากจะเห็นนี่อยากจะได้อารมณ์อยากจะก ร, นนรู้นั่นระู้นี่เนี่ยเหมือนกับเป็นสมถะอยู่เพราะนั้นความอยากเนี่ยเป็นเป็นระดับสมถะแต่ ในระดับวิปัสนาที่จะแก้ความอยากได้คือต้องใช้การศึกษานะนใช้ควาว่าอธิจิตตสิกขาสิกขาสามเนี่ยก็ยังเป็นสมนถะอยู่ต่อไปอธิศีลสิกขาที่เจด็ดสิกขาที่ปัญญสิกขาเนี่เป็นวิปนะัสนาลคือเข้าไปศึกษาให้ละเอียดทีท่วนเหตุเกิดต่างๆทำไมมัถึงร้อนทำไมยังคิดอยู่ทาไมยังเผลออยู่ทาไมถึงเพลินอยู่ คุยเช่นมันไปแล้วหาคําตอบมันไปคุยเช่นมันไปหาคําตอบมันไปมันก็เริ่มได้คำตอบเรื่อยๆพุยิ่งเห็นคําตอบชัดขึ้นก็ยิ่งเห็นโทษของความอยากยิ่งแล้วได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วยิ่งเห็นโทษของความอยากยิ่งเห็นโทษของอยากมันก็เกิดการสังวรเกิดการระวังเกิดการสํารวมเพราะฉะนั้นการสํารวมระวังมันจึงเป็นเคสแรกและเคสสุดท้ายของการทําลายกิเลสใน ให้สูตรที่เรียกสภาวะสภาสวะสังวรสูตรท่านตรัสเรื่องนี้ไว้มากการระวังสังวรที่จะระวังอาสวะทั้งปวงสภาสวะสังวรสูตรว่าการที่จะป้องกันอาสวะทั้งปวงคือการรู้จักสำรวมระวังการสำรวมระวังเกิดต่อเมื่อได้เห็นโทษของความอยากถ้าเราไม่เห็นโทษทุกความอยากซสก่อนเรื่องสังวรระวังเป็นเรื่องยากถ้าสังวรระวังโดยไม่เห็นโทษทุกความอยากก็คือเป็นการ บ, บังคับกดเกรงบีบคั้นฝืนอันนี้เป็นอันนี้มันจะไม่เห็นโทษหรอกแต่ทำเพราะเหตุปัจจัยรือเหตุหผลเลยบางอย่างซึ่งมันไม่ได้เกิดเห็นโทษด้วยปัญญามันก็สํารวมไปไม่รอดเมื่อรอเห็นว่าพระวิปัสสนาบางคนโอ้สํารวมระวังดีมากไอ้พออยู่ไปอยู่มาท่านมีอันเป็นไปเฉยเลยแล้วก็แปลกใจไอ้พระน่ะปฏิบัติดีมีความ ระวางสังวรสูงมากเลยทําไมท่านถึงเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นไม่ได้เกิดสมดวลระวางแบบนั้นไม่ได้เกิดเพราะการเห็นโทษของความอยากมันก็จึงไม่ยั่งยืนแต่บางผ้าบางองค์ลิงชงเชิงไปตามเรื่องตามราวแต่ท่านดูเหมือนจะนอยู่ได้สบายไม่ก็ไม่เห็นเป็นตลอดเพราะท่านเห็นโทษของความอยากแต่ระวังสังวรที่จิตระวังที่จิต อีซีสังวรเขาหนักตาหูจมูกลิ้งกายใจอาจจะไม่ต้องระวังก็ได้แต่ระวังที่จิตเมื่อไปกระทบแล้วในจิตว่าไงตรวจสอบตัวนั้นเขาเรียกว่าระวังตรงนั้นสังวรตรงนั้นนะบางทีเราไปสัมผัสถาหูจมูกกลิ้งกายใจแต่ว่าลืมสังวรที่จิตการสํารวมระวังอายตนะทั้งห้าก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องแยกให้ออกเพราะฉะนั้นในช่วงเย็นนี้สอบลมกันเท่านี้เนาะ แล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราก็จะอาจจะปฏิบัติกันยาวๆลองดูถ้าบรรยากาศมันดีนะช่วงเช้าบรรยากาศดีๆอยากปฏิบัติ ย, ยาวๆตั้งแต่เช้าจนไปถึงพันอาหารเนี่ยพ อ, พอชดเชยเวลาในช่วงบ่ายซึ่งมันร้อนมากบ่ายเราก็มาทำไม่ได้มปนเต็มที่ล่ะเว้นแต่คนที่ปรับตัวเก่งๆท่านอย่างคุณโรดะใช่ไหมเอออย่างนี้ได้อันนี้สงนะ ต้นบ่ายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งท้าทายที่เราไการปรับตัวนี่เราไม่ใช่หนีนะแต่มันการศึกษาระดับหนึ่งใช่ไหมให้มันผลลงกมาเป็นการผ่อนคลายแต่ ถ, ถ้ามันไม่ผ่อนคลายคุณก็อย่าไปติดอารมณ์ไม่ได้นะเพราะอะไรถ้าคุณไปติดเพราะมันไม่ผ่อนคลายคุณไปติดอารมณ์มันเป็ความคุณอยากอยากผ่อนคลายแนละ้วพอใจในการผ่อนคลายกลายเป็นความอยากใช่ไหมเป็นสมุทัยแล้วคุณก็ทําตามหน้าที่มันจะผ่อนคลายไม่ผ่อนคลายเป็นเรื่องของมัน เพรา ะ, ะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราบางคนเท่านั้นทําได้นะบางคนก็ยังทําไม่เป็นก็ลองศึกษาดูนะแต่สําหรับหลวงพ่อแล้วตามดูแล้วบางคนมันได้ทุกสถานการณ์เนะพราะเราทําความผ่อนคลายจนเป็นนิสัยนะตะดุดได้ไม่แต่ท่ทานแค่เครียดบางทีกําลังกึงกลางหลวงพ่อยโยนไปคําหนึ่งทุกอย่างสลายหมดเลยนะที่มันกําลังตึงเพราะ อ, อะไรเพราะมันคนมันตั้งใจเกินไป พอเราไปบอมปึ้งเนี่ันก็นสลายหมดเลยเพราะนั้นศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยชีวิตนี้ได้กำไรโลกนี้น่าอยู่แล้วความทุกข์กลายเป็นศิลปะ ท, ที่สวยงามนะสว่างสวัยด้วยไปศึกษาดูหนะ้า